ในขณะที่รู้เวทนานะจิตถลำลงไปแช่อยู่กับเวทนาจิตที่ถลำลงไปเนี่ยมันจะไม่มีกำลังไม่มีแรงที่จะตัดสินความรู้เพราะว่าอะไรพระสัมมาส ม, มาธิคือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะถ้าเกิดปัญญาขึ้นมาแท้ๆ แ, แล้วถึงจะละวางความยึดถือในกายในใจลงไปถ้าใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยจะไม่ตัดหรอกจะไปดูก็เห็ น, เ, นเกิดดับนะเห็นเกิดดับไปอยแต่ใจไม่มีกาลังมันถลำลงไปนะ ดังนใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี้สําคัญมากนี่วิธีทํำยังไงใจของเราจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันทําได้หลายอย่างแรกเลยทําสมถะทําสมถะจะเราจะหัดพุดโทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้นะหัดไปหัดอะไรก็ได้ซักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไปหายใจเลื่อนลอยไปเรื่อยๆเคลิมๆอย่างที่เคยทํากันเราหัดหายใจไปแล้วเราค่อยๆทําความรู้สึกขึ้นมา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 มาณะเนี่ยถ้ากูเก่งกูเก่งมันก็เรียนอะไรใหม่ไม่ได้หรือกูโง่ยังไงกูก็เรียนไม่ได้นะใจฝ่อก็เรียนไม่ได้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งคือทิฏฐิเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนักนะเรียนธรรมะเวลาฟังธรรมะเนี่ยพวกเราชาวเมืองเป็นเยอะนะตัวเนี้ยเวลาฟังอยากฟังหลวงพ่อพูดนะจะศึกษาเปรียบเทียบกับของเก่าไปเรื่อยๆอาจารย์โน้นว่าอย่างนี้อาจารย์นี้ว่าอย่างโน้นอาจารย์นู้นว่าอย่างนี้อีกนะมีหลายสเต็ป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 หาทางทำแล้วแทนที่จะรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันตามความเป็นจริงนะมันมีแค่นั้นแล้วนะมันไม่มีมากกว่านั้นแล้วหาทางทำอย่างนี้ไม่น่าจะดีสมมติเอาจิตไปตั้งไว้เหนือสะดือสองนิ้วครึ่งน่แล้วท่าจะดีนะหรือว่าต้องกำหนดจิตไว้ที่ท้ายทอยแล้วจะดีกว่านี้อะไรเนี่ยนะเนี่ยถูกหลอกนะถูกหลอกจเจ้าความคิดจเจ้าความเห็นภาวนาอยู่ดีๆก็เลยตุปัตตุเปไปหลวงพ่อมีรู้สึกอยู่คนหนึ่ง เองคนทาซีดีแจกด้วยๆนะคือคุณโยไหนๆนนๆนั่นะยืนนั่งยินน้มอยู่นั่นคุมเครื่องอยู่นั่นน่ะภาวนาพอดีๆสักพักหนึ่งนะหายไปพักนึ่งกลับมาพิลึกพ่ลึกใหม่อีกล่ะแข็งแข็งมาอย่างนี้มาก็มีนะบางทีก็ยิ้มาทำเป็นอะไรไปฝึกอันโน้นฝึกอันนี้มานะ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 กายนี้ก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆใจก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆอย่างนี้เห็นอย่างนี้เราจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจองั้นการปฏิบัติมีสองขั้นขั้นละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรากับขั้นละความยึดถือในกายในใจหมดความยึดถือกายได้พระนักขานะหมดความยึดถือจิตก็ไม่เรีย ok กว่าเป็นอะไรละไม่เรีย ok กว่าพระอรหนะันต์ะไม่เรีย ok กว่าอะไรทั้งนั้นนะถ้าสมมุติคนอื่นเรียกก็เรียกพ ร, ราอรหันต์น ะ, ะวันนี้ให้โยมถามบ้าง หลพ่อพูดรวดเดียวครึง่งชั่วโมงแล้วมีไหมอย่าถามว่าหวยออกอะไรนะมีคนชอบยุ่งกับพระเรื่องพวกนี้กราบน้มัสการพระอาจารย์ค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าแต่ก่อนนี้เคยแบบว่าจิตแบบไม่ค่อยนิ่งอะคะ่ะตอนนี้รู้สึกว่าจิตนิ่งขึ้นนะคะ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 เหมือนกับว่าจะต้องมาเริ่มต้นดูจิตใหม่แต่เริ่มเลยครับคูดพ่อจะเริ่มดูจิตตอนนี้เลยนะดูไปเลยตอนนี้กำลังแข็งอยู่ครับผมปฏุบัตแล้วเห็นเนี่มีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาเป็นความคิดพอรู้สึกตัวปุ๊บมันความคิดนั้นก็หยุดไปพากหนึ่งแล้วเมื่อเกิดมาใหม่มทีนี้ก็ต่อเ น, นื่องไปเป็นเป็นเรื่องเป็นราว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 ต้องพึ่งตัวเองให้ได้นะของเราเพึ่งเทคโนโลยีมากไปสมัยพุทธกาลไม่มีท่านเอากายเอาใจนี่แหละเป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมของเรายุ่นี้อุปกรณ์เยอะนะมี MP3 ม p MP ีก็มีใช่ไหม <c oughs> มีสารพัดเลยมันจะทำให้เราอ่อนแอลงเรื่อยๆนะ <c oughs> เราต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกมากขึ้นมากขึ้นในขณะที่อุปกรณ์ที่พระพุทธเจ้าสอนเราในสติปัฏฐานใช่มมีแต่กายกับใจนี่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 ที่ฟังแล้วเคลิ้มเนี่ยมีน้อยรายยังไม่เคยได้ยินนะแล้วฟังหลวงพ่อพูดแล้วเคลิ้มเนี่ยค่อนข้างอัจฉริยะที่ฟ้าประถานในรอบร้อยปีย่างเพนน้พูดแบบสำนวนจีนหน่อยนะตุ๊ดจีนคนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมานับไม่ท้วน น, นับไม่ถูกละนั้นฟังบางคนเปิดนั่งรถนะเาเปิดไปเปิดไปเปิดไปนะลูกภาวนาเป็ น, นเด็กไม่ได้เจตนาฟังนะ อพ่อหรือแม่ตั้งใจฟังไม่รู้เรื่องหรอกมันตั้งใจมากไปเด็กมันฟังฟังฟังไปเรื่องมันค่อยๆแอบซอบค่อยๆรู้สึกรู้ทันนะที่วัดหลวงพ่อบางวันจะมีเด็กมาเวลาเด็กส่งกันบ้านนะหน้าฟังกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งกันบ้านเนะี่ยชอบตกแต่งคาพูดให้หรูหรามาตั้งแต่หน้าวัดนะแต่เด็กมันไม่มีนะมันว่าของมันซื่อๆ